เขาบอกว่าขนาดโลกิยะสมบัติเนี่ยนะยังบรรลุไม่ได้จะ ก, กล่าวไปยายถึงโลกุตระสมบัติเนี่ยนะฌานทั้งหลายยังยากสําสหรับผู้ยินดีในการคลุกคลีจะกล่าวไปย่ายถึงโลกุตระพระกุมารก็ตรัสว่าเราใคร่ครวนคําของพระปพเจกพุทธเจ้าชื่อว่าอภิจพันธ์อย่างนี้ว่า การที่บุคคลผู้ยินดีด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะจะเพิงบรรลุวิมุติอันมีในสมัยนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นั่นคือไม่เป็นเหตุที่จะมีได้ละความยินดีด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะปฏิบัติโดยเยบคายะนะคือหลีกออกจากหมู่ไม่ใช่เปนั่งคิดถึงหมู่ตามเดิมเนี่ยนะไม่ใช่หลีกออกจากหมู่อยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาแต่บางคนเนี่ยใจเนี่ยกายเนี่ยหลีกจริงอะ่ะแต่ว่า เพื่อนเยอะมากนะคุยกับคนนั้นทีทางความคิดนะจะคิดไปหาคนนั้นทีคิดไปหาคนนี้ทีเดียวก็หมดวันไปเองแล้วงนะั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ละอะไรหรอกเพราะใจมันไม่ได้ออกเลยเนี่ยนะนะการพิจารณาอย่างนี้ในะที่สุดก็บรรลุ คาถาตรงนี้ที่พระสารีบุตรยกข้อความในพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์นนะยกข้อความในมหาสุญญ า, าสูตรเป็นต้น จะบอกว่าดูก่อนอานุภิกษุผู้ชอบความคลุกคลีด้วยหมู่ยินดีในความคลุกคลีด้วยหมูประกอบเนืองเนืองซึ่งความคลุกคลีด้วยหมู่ชอบหมู่ยินดีในหมู่บันเทิงในหมู่ประกอบเนืองเนือ ง, องซึ่งความชอบหมู่จัดเป็นผู้ได้ตามความประสงค์ได้โดยไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งสุขในเน่คัมมะสุขในความสงัดสุขในความสงบสุขในความตรัสรู้ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ดูก่อนอนอน์ส่วนภิกษุใดหลีกออกจากโมยู่ผู้เดียวภิกษุนั้นพึงได้สุขนะ น, นะที่สมหวังจะได้ตามประสงค์ได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากซึ่งสุขในเนคข ม, มะสุขในความสงัดสุขคือความสงบสุขในความตรัสรู้ข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ ดูก่อ น, อนอนุภิกษุชอบความคลุกคลีด้วยหมยินดีในความคลุกคลีด้วยหมประกอบเนืองเนืองซึ่งความเป็นผู้ชอบความคลุกคลีด้วยหมชอบยินดีในหมบันเถงในหมประกอบเนืองเนืองซึ่งความชอบหมูจากบรรลุเจโตวิมุตอันมีในสมัยหรือโลกุตระมักอันไม่กำเริบอันมีในสมัยข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอ น, อนอนุส่วน ผู้ใดหรือภิสูุใดหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวพิสูจนนั้นพึงได้สุขนั้นสมหวังคือจักบรรลุซึ่งเจโตวิมุตต์อันมีในสมัยหรือซึ่งโลกุตระมักอันไม่กำเริบอันไม่มีในสมัยข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้เพราะฉะนั้นชื่อว่าบุคคลพึงถูกต้องวิมุตต์อันมีในสมัยด้วยเหตุใดนั่นเป็นอัถฐานะของบุคคลผู้ยินดีด้วยความคลุกคลีในหมู่ ก็อย่างว่าใครที่ชอบยินดีในการคลุกคลีด้วยหมูก็ยากที่จะได้ตรัสรู้ยากที่จะได้เห็นอริยสัจเนี่ยนะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้อริยสัจนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นธรรมของผู้ยินดีในการคลุกคลีเนี่ยนะมาดูพระปัจเจก พ, พุทธเจ้าอีกองหนึ่งในวรรคที่สมคาถาที่21ว่าได้ยินว่าพระราชาพระองค์หนึ่งในกรุงพารณาณสี พระองค์ก uh, ็เสด็จไปในที่ลับพระองค์ก็คิดว่าความร้อนเป็นต้นความร้อนก็เป็นตัวที่กําจัดความหนาวคือเมื่อเมื่ออะไรนะเมื่อความหนาวมีอยู่ความร้อนก็เป็นตัวเป็นตัวมากําจัดความหนาวเมื่อความมืดมีอยู่อะไรเป็นตัวกําจัดความสว่างเป็นตัวกําจัดเมื่อวัตตะคือเมื่อมีชรามีอยู่ทำที่ไม่มีชราก็ต้องมี อันนี้เป็นวิวาตาเมื่อชาติมีอยู่ธรรมที่ดับชาติก็ต้องมีเอามาหนะถ้าชรามรณะมีอยู่ธรรมที่ดับชรามรณะก็ต้องมีเมื่อชาติมีอยู่ธรรมที่ดับชาติก็ต้องมีเมื่อภพมีอยู่ธรรมเป็นที่ออกจากภพก็ต้องมีเมื่อตันหาอุปาทานมีอยู่ธรรมที่ดับตันหาอุปาทานก็มีเมื่อผัสสะเวทนามีอยู่ธรรมเป็นที่ดับผัสสะและเวทนาก็ต้องมีนะเมื่อนามรูปสลายตนะมีอยู่ธรรมเป็นที่ดับ นามรูปสลายยตะนะก็มีถ้าสังขารมีวิญญาณมีธรรมเป็นที่ดับสังขารและ ว, วิญญาณก็ต้องมีเมื่อพิจารณาอย่างนั้นพระองค์ก็เลยถามอมาตว่า เ, ออเนี่ยเมื่อวัตฏะมีอยู่วิวัฏฏะที่กําจัดวัตฏะก็ต้องนี้สิเขาถามอมาตว่าพวกท่านรู้จักวิวัฏฏะไหมออนะมาคำถามแบบนี้อมาตก็บอกรู้มหาราชเิ่มเป็นยังไงอมาตก็บอกศัสตาทิถิโอโลกมันเที่ยงนะ โอ้เชีย่ยนะโลกเที่ยงพวกอุเฉตก็บอกโอโ้โลกมีที่สุดก็มีไม่มีที่สุดก็มีประกาศลัทธิมิจฉาทิฐิสารพัดเลยนะอ้างเป็นผู้รู้กันทั้งนั้นเลยก็ไปถามเว่าใครไม่รู้จากนิพพานมั่งนะตอบได้หมดนะแต่ว่าตอบนั้นจะเป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งแล้วครับเนี่ยนะตอบไปตามอย่างที่ใจอยากตอบนะนิพพานในความคิดนะนะพระราชาก็คิดว่าพวกอมาตะไม่รู้แต่ออมตะเหล่านี้ทั้งหมดเป็นคนเจ้ามิจฉาทิฐิ เห็น <het en> ความที่อมาตเหล่านั้นเป็นผู้เป็นผู้แยง้งไม่ควรด้วยพระองค์เองไม่สมควรเลยลัทธิเหล่านี้มันมิจฉาทิฐิทั้งนั้นก็เลยคิดว่าวิวัตะที่กําจัดวัตตะมีอยู่เราพึงแสวงหาวิวัตตะเถอะก็เริ่มคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามเอ๊แล้วและจะพบในสิ่งที่ตรงกันข้ามได้อย่างไรก็ต้องแสวงหาอะไรอะไรที่แสวงหาคือแสวงหาอริยมรตที่ได้ตรัสรู้ วิวัตตะเหล่านั้นก็เลยสละราชสมบัติออกบวชรมให้แจ้งปัจเจกโพธิยันเปล่งอุทานตรัตถาพยากรว่าเราล่วงพ้นทิฐิอันเป็นค่าศึกได้แล้วถึงความเป็นผู้เที่ยงได้บรรลุอริยมรรคเป็นผู้มียานเกิดแล้วอันผู้อื่นไม่ต้องแนะนำเพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรก ทิฏฐิที่เป็นค่าศึกเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยอย่างที่เราสาธยายในพุทธานุสติสองนะ่อทิฏฐิที่จะพึงให้ผู้อื่นรู้ก็คือทิฏฐิ62ทิฏฐิ62เหล่านั้นแหละคือมิจฉาทิฏฐิที่เป็นค่าศึกศัตรูต่อสัมมาทิฏฐินะนะเป็นค่าศึกสัต่อสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคขัดแย้งต่ออริยมรรคทิมแทงต่อ อริยมรรยาสรนเสริญลัทธิมิจฉาทิฐิเป็นของดีเพราะเป็นลัทธิเป็นทิฏฐิที่เป็นฆ่าศึกศัตรูต่ออริยสัมมาทิฐิในองค์มรรคเป็นความขัดแย้งต่อมรรคเป็นของที่ทิ่มแทงต่อมรรคก็เลยเรียกว่าทิฏฐิวิสูกะเพราะเป็นฆ่าศึกต่อทิฐิทิฏฐินั่นแหละเป็นฆ่าศึกจึงชื่อว่าทิฏฐิวิสุกกะจังหว่าทิฏฐิอันเป็นฆ่าศึกก็ต้องพ้นนะต้องพ้นลัทธิมิจฉาทิฐิ ลดพ้นด้วยอะไรด้วยกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสนาสัมมาทิฏฐิมัคคสัมมาทิฏฐิมัคคสัมมาทิฏฐินี่แหละที่ออกจากมิจฉาทิฏฐิได้โดยประการทั้งปวงก้าล่วงมิจฉาทิฏฐิด้วยทัศน์มัคคือโสดาปติมัคเมื่อเห็นพระนิพพานก็พ้นจากมิจฉาทิฏฐิทั้งปวงบทว่าปัตโตนิยามังบรรลุแล้วซึ่งความเป็นผู้เที่ยงเพราะไม่มีความตกต่ำเป็นธรรมดา แปลว่าอะไรพระโซดาปฏิมาคเน่แนนอนใช่ไหมแนนอนเพราะอะไรเพราะไม่ต่ำกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะไม่ตกต่ำแล้วเพราะมีการตรัสรู้ชอบเป็นเบื้องหน้าเพราะอะไรเพราะบรรลุ ป, ปถมมัมมัสัมมัตตนิยามแน่นอนโซดาปฏิมาคท่านเรียกว่าสัมมัตตนิยามแปลว่าความถูกต้องโดยชอบในกุศลธรรมที่ไม่มีความผิดพลาดแม้มีประมาณน้อย ในขณะโสดาปฏิมัตินั้นโสดาปฏิมัติจึงแน่นอนเรียกว่านิยามนิยามแปล ว, ว่าแน่นอนพระประเจกับพุทธเจ้านั้นสําเร็จในปฐมมัมัคและได้เฉพาะปฐมมัมคด้วยคําพูดมีประมาณเท่านี้ก็บอกว่าเราล่วงพ้นทิฏฐิอันเป็นข้าศึกได้แล้วเป็นผู้ถึงความเที่ยงได้มัมแล้วนี้แปล ว, ว่าได้อะไรได้โสดาปฏิมัมต่อไปคําว่าเป็นผู้มีญาณเกิดแล้วก็หมายถึงว่า อุปปัน ญ, ญานมหิความว่าเป็นผู้มีปัจเจกพุทธญาณเกิดขึ้นแล้วนะหลังจากอะไรหลังจากอนาคามิมักหลังจากสกทาคามิมักที่ได้มาจากการเจริญโสดาปติมักบทว่าอนันยนโยอันบุคคลเหล่าอื่นไม่พึงแนะนําว่าสิ่งนี้จริงสิ่งนี้ไม่จริงอมตะไม่ได้กินแล้ววะนะพวกอมตะไม่ต้องแนะนําแล้วเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วว่านั้น ถ้าปัจเจก็ปล่าศว่าเป็นผู้รู้เองผู้อมา์ไม่ต้องสอนเพราะสอนก็สอนอะไรก็สอนมิจฉาทิฏฐิไม่เอ้าอย่านัน้อีกอย่างหนึ่งผู้ใดล่วงพ้นความไม่มีแห่งความเป็นผู้อันผู้อื่นไม่พึงแนะนําในปัจเจ ก, กโพธิยามที่บรรลุแล้วหรือล่วงพ้นทิฏฐิอันเป็นข้าศึกได้แล้วด้วยสมถะและวิปัสสนาด้วยตนเองนะเพราะว่าคนที่อาศัยสมถะและวิปัสสนาจะก้าวล่วงลัดที่มิจฉาทิฐิ แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติอยู่ในสัมมาทิฐิเป็นผู้เที่ยงด้วยมรต้นคือโสดาปติมรต์ได้เฉพาะแล้วซึ่งสกะทาคามีมรต์อนาคาคามิมรต์และอรหัตตมรต์มียานอันเกิดแล้วด้วยผลญาณได้บรรลุแล้วซึ่งญาณทั้งปวงคือญาณในโสดาปติมรต์โสดาปติผลสกตทาคามีมรต์สกะทาคามีผลอนาคามิมรต์อนาคามีผลอรหัตตมรต์อรหัตตผลและก็ปัจเจกขณะญาณซิ่งเหล่านี้ อ น, นันในโยผู้อื่นไม่ต้องแนะนำไม่ต้องมีใครบอกใครแนะนําก็ตรัสรู้แล้วนะนะส่วนเกี่ยวกับเรื่องพ่อครัวปรุงอาหารถวายพระเจ้าพารณสีก็ไว้เป็นอาทิตย์หน้าสําหรับอาทิตย์นี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ขอให้เราทั้งหลายได้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมที่พระประเจกพะพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตรัสรู้แล้ว ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกท่านขอให้เจริญงอกงามนะในหน้าที่การงานเจริญงอกงามในสมบัติ3ประการตรัสรู้อริยสัจ ท, ทุกตงทุกท่านอนุโมทนา